วันนี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดในละเอียดทีท่วน เ, นเพื่อนเผินเห็นว่าเวลาตายโดยประการต่างๆอุปาธิเวเหตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของผู้คลคนนั้นแท้ที่จริงนั้น กรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพชตาลัทะสัมปติโตมริกาชนตุสเปชตากามัะกากากมะทายาธากามโยนิกามพันทุกามปฏิสระนายังกัมมังกฤษสันติกันยาหนังวาปาทกังว่า ตัดสะายาทาพวิตสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรในกาหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลย นี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราทิ่งปริการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นเนี่ยสเปสตาคพระถาสัมปฏิโตมวิกาชันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไวไ้ย่อมได้รับกรรม น, นั้น ทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมอันนั้นที่เราทําไม่ใช่คนอื่นทําให้ไม่ใช่ทําให้คนอื่นเราทําเองเราได้เองอันนี้เป็นการเป็นการตายตัวยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้ กรรมธากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรนม้ที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสนธรรนาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสนธนาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่ คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชัว่วก็คือเราเกิดขึ้นมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกระ thon ไม้ท h o n ฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่ากด ต, ตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนผลเรียกว่ากรร ม, มปฏิสารณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานนหน่ะแหละทำ ยังกัมมังกฤตสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้คั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันดใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์ก็เว้นเสีย กรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาเรื่งความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีอย่นั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมมาทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้อย่างไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเอง ว่า ม, มีใครทําให้หรอกก็เกิดมาต้องพึ่งกรรมอยู่ทั่วันนี้ก็ะทงพึ่งกรรมคือทําดีทําชั่วแล้วก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนีจ้จังหวายืดยาวนานแฉนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยาก เกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีกเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้ค้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรม ถ้าทรรทั้งหลายทั้งเป็นโลคิยาและโลกุตระพระ อ, องค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระ อ, องค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลคิญาโลกุตระพระ อ, องค์ชี้ทางให้เฉยพระ อ, องค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกำ หลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอ น, นี้จึงค่อยพากันเฮือหินเหือหิมตื่นเต้นน้อยพิธีต่งตางๆข่าวเล่าลื อ, อ, อเอะเกลึกเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่งตางๆตื่นเต้นกันไปมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โ ห, โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนนัะ้มันต้องมียกค้า ย, ยกครูอย่างน้อยตั้งสี่จีบหาที่บาขึ้นไปมันก็รวยด้วสิมันแก้กรรมได้เงี้ แล้วแก้ได้ยางไงลราในคนที่สุดก็ตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นโดลกามะเนี่ยจะตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ดีวิเศษวิโสอยู่คงก็พันอยู่ยงคงกระพันต่างต่า ง, งยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกก็ะเดงต่างตื่นเต้นกัน ทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งอยู่ในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องขบขงกัพันไปบนไปนเส้นสวงคนใน่มีลูปไม่เจ้าไม่มีลูกมไ ม, ม, กม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมนแล้วอะไรท่านจะมี ถ้าจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกำรรเนิ่ของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบาง ร, ร้ามบ่าวอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคณนั้นต่างหาก ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหาเชื่อแล้วก็กําไรกําลังใจมันแน่วเนี่ยลงไปมันก็เปลี่ยนได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วทั่วไปขอโชคขอลาบเสมอกั น, น, กนถ้าขอได้เงี้ยคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทํามาให้กินแล้ว้ปขอโชคขอลาบรวยด้วยกันมอดทุกคนนั่นแหละ พอแล้วก็ลองดูสิั้นต้นไม่ทำจะได้จะได้ดีจะมีโชคมีลาบมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รวยเป็นเท่านั้ น, หนแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณ เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญกับเป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปสักศิษย์วิจิตอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนคิดเกี่ยวอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ คือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครัวาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่ว ท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ลึกถึงคุณถึงอนั้นถึงรูกอ น, นั้นแล้วก็ละชั่วอนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระณันไม่ใช่ อยู่ยงของพันธุ ก, กรรมต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนยดีแหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนยดีเถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้จริงถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดู ว, ว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้น คนดีก็ถือลูกอาจารย์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห้ำอั้นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกคกุ้นไวนี่ก็พ่อถืออาจารย์องค์เดียวกัน น, นั่นนึกดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเนี่ยปวดอ้างเอาลูกอาจารย์ของฉันจริงคนนั้นก็อลูกอาจารย์ของฉันจริง เลยฆ่าฟันกันเกิดดีถีาชีพหายโดยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์รงเดียวกันอาจารย์องนั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาถึงความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่ง ให้คนเกิดมาหน้าทิฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักข้างนักหนไม่ทวนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลา่าคันได้รูปแล้วก็เข้าใจวอยู่คงกุพัน อยู่ยง้องฟันด้วยประการต่างๆมันมันกลัวตายตรงนั้นเครื่องเอานเป็นปที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้อยากโชคอยากลาบอยากร่มรวยก็เอาั่นี่ยมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาบนี่แหละพุทธศาสนา มันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆ แ, แต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจริงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปมดแทบทุกอย่างทุกคน ที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานะั้นมีน้อยนักน้อยหนานคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษ ด, ดูถูกนินทาประมาทเยียดหยามตลอดชีวิต บางคนเชื่อพระเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระเดจาถือคุณพระผู้เจ้าถือกันตายอีกแหละคาําเวราเกิดปัทวะเจตุล้มตายหายสูญในเดรัจยการาต่างๆพาะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคําสองพระเจ้าวพระธรรมไม่มีตนไม่มีตัว พระธรรมทิ้นแนะนําตักเตือนเราให้ละชั่วทําดีไม่สามารถที่จะทําความชั่วได้เพราะพระธรรมเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทําความเพื่อสกิจใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหะตัวพระธรรมเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาคําสอนนั่นน่ะอันเนี้ที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนําตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูก ไม่นินทาว่ า, าร้ายโดยประการต่างๆนี้เป็นสามข้อที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมองคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลัง ยาที่บายไมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันในตนได้อันนั้นแล้วทำดีก็ได้ดีสังเพียงกั่ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้กะปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่า เจ้ากรรมนาเวนไปโน่นอีกทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวนให้ละกรรมละเวอย่าให้เป็นกรมไปเวรต่อไปอ่านนั่นก็ไม่ไมจริงเจ้ากรรมนายเวนที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทํามื่แต่โดยความคิจฉาดิยสยาโดยความโทมนัสน้อยใจทํากรรมอะไรต่งตางๆ ทำดึกจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวงกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่เศ้าไปเปรตโลก มันไม่กล้าไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานแล้วตายเอยอะร้อยชาติกันชาตินันก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆเนี่ยแหละอ้ะโหที่กรรมให้กันเสียอันนั้นนาจะพ้นกรรมได้ <c oughs> งว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนี้นิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วเรวาเป็นซากทีอันนี้ เ, เชื่อกรรมที่ผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้า ไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคิดจะเชียนอิสลามละอะต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกผู้สนแล้วให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นผุ่มแต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นต์ไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคล ในพุทธศาสนาทาบุญในพุทธธรรมประสงค์เพื่อบอํารุงพระพุทธธรรมประสงค์อันนี้เราทําบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อนี้่นับถือพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นศาสนาจริงๆอยจางจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่ง ไม่ถือมองคลเรื่องข่าวคือเชื่อกรรมเจ้าผลของกรรมว่าทำดีได้ดีท่าเ่อได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าขอ้อข้อที่หกถ้าคนนั่น เป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชินห้าไปจําตัวเป็นนิสไม่มีผิดเลยคนเชื่อกามเยผอของการมีจังแล้วไม่กล้าทําความชั่วไม่ทําชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องชินห้ามีอยู่ไปจําตัวเป็นนิสเถิดอันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่เนี่ขึ้นถึงอาเรีย บ, บุูอาเรียบภูมิ คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปในนิดใหน่นนอยเ ก, เ, อเกิดอุบัติเหตุอไะไรเกิดริบบัติขึ้นมาด้วยอาการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโรยไฟนั่นแหละคือไม่จริงองไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกำเเยกขนุกรรมเองใครจะไปช่วยได้ พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลุกจิตกลิ้งก้อนหินน้ำตาบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพราะองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาใช่ เจ้าชาติศัตรกูก็ถูกพระราชฎรบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบฏพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏคือยึดสมบัติของพระองค์ในแก่ยุทธภพ พระราษฎรดกิดวิธุทภะพระองค์ไม่ช่วยยังไงได้นอกจากนั้นอีกในตนะกูลขาโง่ศาส ต, ตร์ไปจะราดกุ้มกบิธพัฒนมีจินห้าไปจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิธุธภะไปลบลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุน ยิงกันยิงด้ฟื้นได้น่ะแต่พื้นฐานาไม้น่ะแต่ไม่ยอมใส่รูกปกระสุนในคนที่สุดนิทุตระพระขยอวจนเรียบมดนั่นะยอมชนาชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อนิทุตระพะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วอ่าจะไปช่วยเลยประการใด ไปสกัดทางดักอยู่กลางทางอิทธิรัตเห็นก็เข้าไปกราบถูนถามปังหาต่างองเอออิทธิรัตาก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นเลยกรรมของสาสตร์พาชเขาเคยทํามาอย่างนั้นจ่ต้องชิบหายอย่างนั้นองก็เลยไม่ไปอันนันเกิดทำนายกไว้ ไอ้พโมพกันลาแล้วสาวนี่จะวนไปทุบอาจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเรื่องต้นก่อนเขาจะเพอก่อนเขาจะไป ทุกทุบพมคคัลลานะั้นพวกโจรเขาไปปองลายท่านอยู่ถึงสี่เดือนดวงไปแล้วเข้ามาเวลาได้ท่านกระหอไปมีทิฏฐาตะกาลูกฝาพถึงขนาดมามาข้างไหนก็ห่อหนีมาข้างไหนก็ห่อหนีหอหนเอ๊ะมันหลายข้างหลาย ห, หนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องว่ากรรของท่านที่หลังก็งเลยไม่หนี ต่อยมันทุกเสร็จจนแหลกแล้วมัดจด้วยอำนาจป่าที่หารของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดปร ะ, าประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเดชจัก้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอยีน๋นี้ยังไปถื อ, มองมงายกันนักหนา รูปองนั่นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหให้ฟังเลยก็พระเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตาม พุทธศาสนาสอนไว้อย่างคงหลังครั้งมาเกิดเหตุต่างๆเกิดพัทวาอุปวงมดเกิดทว่าอุปทว่าเหตุต่างๆเกิดมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจ า, านะจากการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรม ของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันพวกพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานี่ยเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรม เสษกรรมไม่จะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมย่อต้องติดตามเมื่อมีเสษจะเทยมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอก ที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมัธยือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรยอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเลยจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันเพราะใจไปยึดมันจะคอย ก, กระเทือนทังใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างมันไปยึด มันก็นเลยมันทํามันนี้จริงเนาะตัวกรรมนี่มันทําำเหตุกรรมนี่จริงเนาะแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวร์ไม่พออพใจสารพั์ทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมั่งตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้น ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วมันก็ช่างมอนอย่างพระมคขลลาเป็นตน้นไม่ถึงไม่ถึงใจใจไม่ถึง ทบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหวกราบคุณพทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอองเดียว จงยึดใจจงถือใจนะั่นเป็นสําคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเถอะกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกัน และอธิบายตรงนี้ทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกคือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุ ก, กคือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้าเลนะโลงใหญ่มันดังตึกๆึกึ ก, กึกอยู่คนนกระจายอยู่ทั่วมด ต้องการ ด, าบดาบับไปไปดับหลอดเล็กลหลอดน้อยมันก็ดบับแต่เฉพาะอาแต่ไฟมันยังเดินอยู่ดทีขันดับต้นจอพื่อนแล้วมันดบับปุ๊บมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกร่มตอนนั้นเป็นเหตุ ถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมเท่า น, นั้นยังอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่ไม่กระทำกรรมคือคนพูดในพูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใด มันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแค่แล้วดับตัวใจนั่นแหะอันที่ไม่มีนั่นนหะดับตัวใจตัวไม่มีใจทางเนี้ยกรรมมันก็ดับหมดนีไ่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่ไม่มีกรรมต่ออีกก็ยิจึงให้เห็นตัวใจ ตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นล ม, ห, ลนะมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่ง มันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีนมอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไ ม, ไม่ส่งไม่ใส่ั้ตัวนั้นเนี่ตัวใจตัวใจแท้แต่มันอยู่ไม่ได้นาน พอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเลยฮนะัตตัวนั้นจับนั่นให้ได้ได้ก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหามันไม่มันตัวจิตนะเนี่ยสมาธิควบคุมจิตนั่นให้อยู่มันไม่อยู่ก็คมไม่อยู่นั่นแนหะ มันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นไงรู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตาม้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามค้นตามหลังมันตามค้นมันไปไม่ทันหรอก เงตามลอยงัลูลอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยมนรู้เท่ามันรู้เท่าทัา้ททงหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้ น, น, นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็จะอย่างนั้นนะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมัน จะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งกระลูดเท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆตอนนั้นมันยจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรนยังจะหมดทุกข์มันจะงชินทุกข์อยากชินทุกข์แต่ทาไม่ถึงที่ไม่ถึงทางชินทุกข์สักที เราเกิดคือมามันโอ้ยหลายภพหลายชาตินับภพบนับชาติไม่ถว้วนจะอยากคนทุกข์อยากคนทุกข์แต่ไม่ทําให้คนทุกข์สักทีเราทําขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังในชั่วครู่คณะเยังดีอยู่ให้าทำมันชำนี่ชำนานมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกได้ ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอตัวใจมีโกรธในความรู้เสึกจะไม่โกรธนั่นหัดปบ่อยๆให้มันได้ปบ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทําความเปลี่ยนกาวนา เอาให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจจะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอย่างไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องกมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับ น, น้ํา ธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาเวลาทั้งแล้งทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นนรกมันเป็นในคลื่นเป็นนรกแล้วมันก็บุญมันมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็น มอนขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊ไปเป็นคลื่นกับน้ำอะเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำอะไรเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำอะไรเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสฉลบไปตามอะ้รนะ่แต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าก็ดอะไว่าฟองว่าอะไรต่างๆอะไรมาเกิดจากน้ำนะัน เป็นน้ำอะไรเวาเาหงเรียกเรียกต่างๆกไปอีกใจก็คือ น, น้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรืเอ่อยหรือว่าเป็นนารอกอะไรต่างๆคือจิตนั้นมันอันเดียวกันเลยแห้งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกัน ท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกให้ต่างถ้าไม่เรียกหรอกคราว น, นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากเรีรู้จริตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซะก่อนนั้นแ่ะตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็น ล, ล้นอกเป็นฟองเป็นก้อนอะเรื่ต่างมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจ่ายเห็นง่ายอะคะนี่ พูดงายคราวนี้ครันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่งตางๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยเราก็ปล่อยอย่างเราไม่วางาก็วางอย่างมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับไม่เป็นน้ําำไม่ต่างเลยแล้วเราจะไม่ไปยึดต่อแล้วก็ไม่ส่งคือจิต ไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามเดยมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนองเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉย อ, อยู่แล้ปววั๊นี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้า ม, มีการสงบ มันมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนเ พ, เพราะนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชําีน่ชํานาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิง่งดีได้อยู่นานเราได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนาดหนึ่งกระเดี่ยวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะ การทำอน่าง่ีงบ่อยๆเขาเนี้หัดได้แล้วตอนนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุว่นวา ย, วายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสกบอยู่กับใจนั้น เราทำอย่างนี้ได้ จ, นจนานี่ชํานานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ใดในบมคณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ใดเรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเรา ถ้าทำงานก็ยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบทุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสวายอยู่ตรงนั้นแหละทำไมาต้องพูดถึงเรื่องมรรคกนิพพานอ่ะถึงนิพพานาานั่นไม่เช่าอนิพพานอยู่ตรงไหน เราอาคงทุกข์แล้วก็แล้วกันหอกชีวิตมันลำบากเ่อกเกินทุกข์าเกเยอเกินเยอเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์เค้นทุข์เลยเท่านั้นก็พอแล้วมาผล น, นิพพานอยู่ในกรก็ช่างคือ